สวัสดีครับวันนี้เรื่องเล่าสยองขวัญขอนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องสยองกลางป่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเมื่อประมาณ25ปีที่ผ่านมาตอนนั้นคุณเอกอาศัยอยู่ในจังหวัดหนองคายครอบครัวของคุณเอกค่อนข้างยากจน เมื่อจบประถมหกคุณพ่อจึงพาคุณเอกไปฝากวัดบวชเรียนเป็นเนนรับใช้หลวงลุงที่เป็นเจ้าอาวาสหลวงลุงท่านก็จะสอนสภวิชาต่างๆให้คุณเอกและจะมีการออกทุดงกรรมาฐานประจำปีเพื่อปลีกวิเวกจากทางโลกตอนนั้นคุณเอกเพิ่งจะอายุแค่16ปี ก็ได้ออกเดินทุดงไปกับหลวงลุงและพระอีกสามรูปหลวงลุงท่านจะเดินขึ้นไปทางเหนือพระอีกสามรูปรวมทั้งคุณเอกก็เดินตามหลวงลุงไปเรื่อยๆผ่านป่าทึบป่าปลงมากมายจนเข้าสู่ป่าแห่งหนึ่งเลยแถบอีสานเหนือขึ้นไปไม่ไกลลักษณะเป็นป่าดิบ ต้นไม้ในป่าแห่งนี้ส่วนมากจะเป็นลำต้นสูงใหญ่หลายคนโอบขึ้นเบียดเสียดบดบังแสงจากพระอาทิตย์จนดูมืดคลึมเวลาประมาณสี่โมงเย็นหลวงลุงท่านบอกให้หยุดแล้วปักกลดกันในบริเวณนี้คุณเอกออกไปหาฟืนมาก่อไฟชงน้ำชาถวายพระทั้งสามรูป และก็ไปส่งน้ำทําวัดเย็นเมื่อทําวัดเย็นเสร็จมีคนหาของป่าเดินตัดผ่านป่าเข้ามากราบหลวงลุงสามครั้งแล้วบอกว่านิมนต์ให้ไปอยู่ในหมู่บ้านเถอะอีกสิบสองกิโลอย่าอยู่ตรงนี้เลยเพราะช่วงนี้หลังจากหกโมงแล้วยุงก็ไม่กล้าผ่าน หลวงลุงท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเรามาพร้อมพุทธคุณและพระรันตนตเรามาเพื่อปรีกวิเวกเป็นตายยังไงก็จะขออยู่ตรงนี้ชาวบ้านคนนั้นก้มลงกราบแล้วเดินหายเข้าไปในป่าจนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเมื่อหมดแสงจากพระอาทิตย์ความมืด เริ่มกลืนกินป่าแห่งนี้ทำให้รอบๆตัวดูพล่ามัวเหมือนมีหมอกบางๆลอยอ้อยอิงอยู่ทั่วบริเวณอากาศเริ่มเย็นลงจนทำให้ตุ่มหนาวบนแขนของคุณเอกผุดขึ้นเป็นเม็ดๆป่าทั้งป่าเงียบสงัดจนหน้าวังเวงคุณเอกจึงเริ่มก่อกองไฟทันที เพื่อให้แสงช่วยขับไล่ความมืดที่ปกคลุมอยู่รอบรอบตัวและเพื่อกันอันตรายจากสัตว์ป่าหลวงปู่ท่านก็ให้พระทั้งสามรูปและคุณเอกนั่งเข้ากรรมฐานคุณเอกปักกรดนั่งกรรมฐานอยู่ด้านหลังของหลวงพ่อจนเวลาผ่านไปประมาณสามชั่วโมงเนบช้าเริ่มกัดกินแขนขาของคุณเอกจนต้องขยับตัวเล็กน้อย เพื่อไล่เน็บชาสักพักใหญ่ๆ ใ, ในขณะที่คุณเอกกำลังนั่งหลับตาอยู่รู้สึกว่ามีลมกระโชกแรงไปทั้งป่าเหมือนพายุเข้าทำให้กรดโยกไปมาจนเหมือนจะขาดไปทุกทีทุกทีเสียงต้นไม้ด้านหลังที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรลั่นเอยดอาร์ตปานจะล้มคลืนลงมาใส่ ฝุ่นดินใบไม้ปลิวว่อนอยู่รอบรอบตัวเหมือนพยายามจะมุดเข้ามาในกรดให้ได้คุณเอกมองไปรอบรอบตัวยังตื่นตระหนกแต่ก็ต้องรู้สึกตกใจและคนแปลกใจเพราะต้นไม้ที่อยู่ห่างออกไปรอบรอบตัวกลับนิ่งสนิทไม่ไหวติงไม่มีแม้เศษใบไม้ที่ปลิวกระจายตามลมเหมือนกับว่าพายุ ได้โหมกระนำอยู่แค่บริเวณที่ปากกรดเท่านั้นในระหว่างที่คุณเอกกําลังตื่นกลัวต่อเหตุการณ์ที่พบหลวงพ่อท่านก็เอ่ยขึ้นว่าผู้ที่ไม่ได้รับเชิญกําลังจะมาตั้งสติไว้ถึงแม้ว่าหลวงพ่อท่านจะบอกให้ตั้งสติแต่เนื่องจากเหตุการณ์รอบๆตัวมันทำให้คุณเอกผวา จนสติแตกไปก่อนหน้านี้แล้วเงื่อไหลคล ย, ย้อยลงที่ปลายคางหยุดใส่อุ้งมือของคุณเอกที่กำลังประสานกันอยู่บนหน้าตักทั้งๆที่บรรยากาศในป่ายเย็นยเยือกแต่เงือการกับพุดออกมาไม่หยุดคุณเอกพยายามรวบรวมสติสงบใจให้กลับไปเป็นปกติหนั่งจ่องกองไฟที่ถูกลมพัดจนเศษไฟเม็ดเล็กๆสีแด ง, แดง ฝุงกระจายเหมือนกับดอกไม้ไฟในขนาดนั้นเองคุณเอกได้ยินเสียงคล้ายๆกับลูกแตงโมตกกระแทกพื้นหนังโพะคุณเอกซึ่งกำลังอยู่ในอาการผวาสะดุ้งจนตัวสั่นรีบหันกลับไปจองที่ต้นเสียงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าคือคนที่มีแค่ครึ่งตัวส่วนบน นั่งะสยะยิ้มอยู่บนกองไฟคุณเอกตกตะลึงกับภาพที่เห็นเกลงลำตัวโดยอัตโนมัติจนรู้สึกเจ็บที่ท้องน้อยความกลัวเล่นจิ๋วไปทั่วร่างกายสิ่งนั้นค่อยๆหักนิ้วของตัวเองหยนเข้าไปในกองไฟหัวเราะแครๆแคะแคแคเหมือนกับคนที่มีความสุขมากพอหักนิ้วมือซ้ายหมดแล้ว ก็ใช้ปากกัดนิ้วที่มือขวาแล้วถุยลงในกองไฟคุณเอกกลัวจนลมตีขึ้นอกรู้สึกจุกจนแทบหายใจไม่ออกหันไปมองหลวงลุงพระอีกสามรูปที่นั่งอยู่ข้างๆแต่ทุกคนกลับนั่งนิ่งไม่ได้มีท่าทีที่ตื่นกลัวต่อสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าแต่อย่างใดถึงแม้ว่าตอนนี้ สิ่งนั้นกำลังคลานไปรอบๆกองไฟที่ลุกโชนพูดด้วยเสียงทุ้มๆต่ำๆว่าพวกเองจะมาเอาที่ของข้าเหรอสิ่งนั้นคลานวนไปมาสามสี่รอบแล้วก็หายไปพร้อมกับลมพายุเริ่มสงบกลับเป็นปกติคุณเอกหันมองไปรอบๆตัวด้วยความระแวง เมื่อพบว่าสิ่งนั้นไปแล้วจริงๆก็รู้สึกโลงใจอย่างบอกไม่ถูกป่ารอบๆตัวกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ก็ต้องสะดุ้งเฮือกจนเหยียดหลังตรงขึ้นเองเพราะอยู่ๆก็เกิดเสียงดังโครมจากข้างหลังคุณเอกรีบหันขวับไปมองปรากฏว่ากิ่งไม้ใหญ่ๆของต้นสดาวที่อยู่ด้านหลัง หักตกลงมาเฉียดกรดของหลวงลุงแค่เพียงนิดเดียวคุณเอกทนนั่งคนเดียวไม่ไหวหลุนหลานเข้าไปกอดหลวงลุงในกรดด้วยตัวที่สั่นงกหูก็แววได้ยินเสียงเหมือนมีคนขย่มอยู่บนต้นไม้ตามมาด้วยเสียงหวีดร้องที่ดังไปทั่วป่าเสียงมันเสียดแทงเข้าไปในใจของคุณเอกจนต้องรีบเอามือปิดหู อึดใจต่อมาสิ่งนั้นก็ปลากดตัวออกมาอีกครั้งที่คราวนี้มาครบทั้งตัวนั่งลงที่หน้ากองไฟแล้วยกมือตัวเองขึ้นมาเขี้ยวเล่นกลิ่นเหม็นเนา่ารุนแรงและกลิ่นสาบสางลอยอบปวนไปทั่วบริเวณคุณเอกกอดหลวงลุงแน่นรู้สึกผ อ, อืดระอมท้องไส่บิดมวนจนหน้ามืด หลวงลุงท่านลืมตาขึ้นมองอย่างสงบแล้วเทศนาเรื่องของการยึดติดคุณเอกรู้สึกว่าเวลามันช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าร่างนั้นค่อยๆจางลงเรื่อยๆจนกลืนหายเข้าไปในอากาศเวลาล่วงเข้าตีห้าพระทั้งสามรูปก็สวดบทแผ่เมตตาขึ้นพร้อมกัน คุณเอกรู้สึกตัวช้าๆเหมือนคนจะเป็นไข้สอดส่องสายตาไปรอบๆตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะยังไม่วางใจในสถานการณ์เลือดไปมองท่อนไม้ท่อนใหญ่ที่มันตกลงมาอยู่ข้างๆกลดก็ต้องรู้สึกแปลกใจรอยหักมันควรจะเป็นลักษณะของการปรีแตกของไม้แต่ที่เห็นเหมือนเหมือนกับว่า มีคนเอาเลื่อยฟันปลามานั่งเลื่อยอยู่บนต้นไม้จนมันแยกออกจากกันทำให้คุณเอกรู้สึกหวาดระแวงต้นเสเดาที่อยู่ด้านหลังกลัวว่าคนเลื่อยยังไม่ได้ไปไหนแต่กำลังรอจังหวะในตอนที่ทุกคนเผลอจนเวลาหกโมงเช้าหลังจากที่ส่งน้ำเสร็จมีชาวบ้านเดินมาเป็นกลุ่ม ในมือถือกระสอบกับพลัว่วมาคนละอันสองอันพอมาถึงก็กล้มลงกราบแล้วบอกว่ามีพระธุดงมานั่งตรงนี้หลายรูปแล้วแต่เช้ามาพวกผมต้องมาช่วยกันฝังศพทุกครั้งเลยแล้วทุกคนก็ก้มกราบหลวงพ่ออีกครั้งและพูดต่อว่าไม่ได้มีเจตนา ที่จะสาบแช่งหลวงพ่อแต่ว่าพระทุดงที่เดินมาทางที่นี่จะไม่มีใครรอดเลยแล้วชาวบ้านก็พาเดินขึ้นไปอีกประมาณไม่ถึง10เมตรเป็นพื้นที่โล่งๆมีต้นไม้ต้นใหญ่ที่มีเถาวัลย์เลื้อยระยงระยางอยู่กลางลานลักษณะดินเป็นสีดำยุยยๆนี่คือสุสานของพระทุดงที่ชาวบ้านช่วยกันฝัง มีทั้งพระชาลาและเนนเดี๋ยวนี้เลยจะชวนให้ไปพักในหมู่บ้านมากกว่าแต่ก็มีพระที่ตั้งจิต แ, แน่วแน่ต้องการปักกลดอยู่ที่นี่ตอนเช้าพวกชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันฝังเพราะไม่มีใครรอดเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาต้องช่วยกันฝังทุกปีชาวบ้านเล่าต่อว่า ที่บริเวณนี้เป็นสุสานเก่าของชาวกะเหรี่ยงมีวิญญาณคนที่ตายสิงสถิตยอยู่มากมายเป็นปู่โสมเฝ้าซับคอยจัดการใครก็ตามที่ล่วงล้ำเข้ามาแล้วชาวบ้านก็ชี้เข้าไปที่กองฟืนที่ไฟมอดไปแล้วปรากฏว่าพบเศษกระดูกนิ้วมือเป็นคอเล็กๆสีดำอยู่หลายอันภาพเหตุการณ์เมื่อคืน ก็แว บ, บเข้ามาในหัวของคุณเอกจนรู้สึกเย็นวาบตั้งแต่หัวลงไปถึงเท้าชาวบ้านบอกว่าเป็นแบบนี้ทุกครั้งตอนที่ช่วยกันแบกร่างของพระเพื่อที่จะเอาไปฝังจะเห็นเศษกระดูกเล็กๆไหลออกมาจากปากป่าบริเวณนี้จะไม่มีใครกล้าใช้สัญจรชาวบ้านที่เป็นคนหาของป่า เ้าเกิดเวลาล่วงเข้าบ่ายสามโมงต้องรีบดิ่งออกจากป่าแถบนี้ทันทีเมื่อมีกี่ปีที่ผ่านมาเคยพบศพของคนหาของป่าจากหมู่บ้านอื่นถูกไม้ไผ่แทงตายอยู่บนยอดไผ่ลักษณะเหมือนกำลังนอนอยู่บนพื้นแต่ถูกต้นไผ่ทั้งกอพุดขึ้นจากพื้นตรงที่นอนอยู่แทงทะลุร่าง